ช่วยดูแลหมูคณะท่านทุ่มเทสติปัญญาสุดกำลังในการดูแลอุปถัมภ์อุปถากท่านอาจารย์มั่นโดยในระยะแรกๆท่านจะเข้าถึงก่อนเพื่อนแต่นานเข้านานเข้าท่านอาจารย์มั่นจึงบอกว่าพระที่มีอายุพรษสมากแล้ว ไม่ต้องมาเป็นกังวลกับการขนสิ่งขลของอะไรเราแหละผู้ใหญ่ก็เป็นแต่เพียงว่าคอยดูแลเท่านั้นแหละพอจากนั้นมาท่านจึงคอยดูแลให้คำแนะนำเรื่องต่างๆว่าอันใดต้องทาอันใดควรทาอันใดต้องเว้นหรืออันใดควรเว้นเพื่อไม่ให้เป็นที่ขวางหูขวางตา ขวางอัดขวางทำแก่ท่านนอกจากนี้แล้วท่านยังวางระเบียบแบ่งหน้าที่การงานตามธรรมให้สอดคล้องคล่องตัวให้ประสานราบรื่นในงานด้วยความเข้าอกเข้าใจกันตามเหตุผลและเหมาะสมด้วยความเคารพตามอายุพรรษาผู้ใดเคยดูแลบริขารชิ้นใดของท่านอาจารย์มั่น ก็ให้เอามาตามนั้นไม่มีการก้าวกายกันสำหรับตัวของท่านจะยืนอยู่บันไดหน้ากุฏิท่านอาจารย์มั่นคอยดูความเรียบร้อยของพระเนนที่ขนของลงไปเมื่อท่านอาจารย์มั่นไม่เห็นท่านสักสองวันสามวันผ่านไปท่านอาจารย์มั่นก็มักจะถามกับพระเนรเสมอๆว่า ท่านมหามาใหม่พระเนนก็ตอบว่ามาครับอยู่ข้างล่างครับกระผมท่านอาจารย์มั่นก็นิ่งไปเสียพอเว้นห่างสองสามวันผ่านไปไม่เห็นอีกท่านก็ถามขึ้นมาลักษณะเดิมอีกพระเนนก็ตอบแบบเดิมท่านก็นิ่งอีกแม้ในช่วงที่ท่านอาจารย์มั่นเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็ถามกับพระเนนว่าท่านมหาพิจารณาอย่างไงล่ะเราเจ็บไข้ได้ป่วยเอามากแล้วนะท่านมหาได้พิจารณาอย่างไรพระเนนก็ตอบว่าท่านจัดเวรดูแลเรียบร้อยแล้วคือให้มีพระอยู่ข้างบนสององค์นั่งภาวนาเงียบๆอยู่ข้างล่างสององค์เดินจงกรมเงียบๆสําหรับท่าน เป็นผู้คอยควบคุมเวรอีกต่อนหนึ่งบริหารสิ่งของท่านอาจารย์มั่นให้ความไว้วางใจโดยมอบให้ท่านเป็นผู้จัดสรรจตุปัจจัยไทยทานตามความจำเป็นแก่พระเนนภายในวัด ในเรื่องนี้ท่านเคยเล่าไว้ว่าอย่างของที่ตกมานี่ท่านอาจารย์มั่นมอบเลยนะท่านมหาจัดการดูแลพระเนนนะท่านอาจารย์มั่นพูดเท่านั้นแล้วปล่อยเลยนะเขามาทอดผ้าป่ากองผนเปนเทินทึกเราเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยองไหนบกครองตรงไหน อง์ไหนบกคร่องอะไรอะไรจัดให้จัดให้สำหรับเราไม่เอาครั้นเวลาเราไม่อยู่บ้างท่านสืบถามพระนี่ท่านมหาท่านได้เอาอะไรไหมของที่เอามามอบให้ท่านจัดให้พระเนนท่านเอาอะไรไหมพระตอบท่านไม่เอาอะไรเลยท่านนิ่งนะเฉย ท่านจับได้หมดพิจารณาแล้วเราทําทั้งหมดด้วยความเป็นธรรมท่านรู้เราไม่เอาอะไรนี่ขนาดท่านเอาผ้าห่มของท่านไปบังสุกุลให้เรามีที่ไหนไม่เคยมีนะเพราะท่านเห็นเราไม่ใช้ผ้าหม่มหนาวขนาดไหนเราก็ไม่เอาเราเด็ดของเราอยู่อย่างนั้นตลอดผ้าห่ม ถ้าเอาผ้าใหม่ให้ท่านก็กลัวเราจะไม่ใช้นั่นเห็นไหมอุบายของท่านต้องเอาผ้าของท่านที่ท่านห่มอยู่นั่นพับเรียบร้อยแล้วไปบังสุขุนให้เราเอาดอกไม้เอาเทียนไปโอ้ยทุกทุกอย่างท่านเป็นอาจารย์ป ร, รมาจารย์ชั้นเอกทุกอย่างไปก็ขึ้นไปวางไว้ที่นอนของเราเลย วางไว้กลางที่นอนมีดอกไม้มีเทียนวางผ้าห่มเป็นผ้าที่ท่านห่มอยู่แล้วผ้าใหม่ท่านกลัวเราจะไม่ใช้นั่นแหละท่านหาอุบายต้องเอาผ้าท่านเองว่างั้นเถอะเราขึ้นไปแล้วไปดูโอ้ยเรารู้ทันทีเลยว่าเราปฏิบัติอยู่ทุกวันกับผ้าท่านทําไมจะไม่รู้นี่แสดงว่า ให้ใช้ให้ใช้หน่อยเถอะว่างั้นเพราะท่านเห็นิสัยอย่างนั้นเอาจริงเอาจังทุกอย่าง ผิดพลาดแทนหมูเพื่อนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ท่านอาจารย์มั่นท่านจะคอยเป็นหูเป็นตาซอดส่องดูแลพระเนรคอยสังเกตอัธยาสัยใจคอพระเนรที่อยู่รวมกัน ทราบกันว่าในยามที่พระเนนมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกรใดท่านมักจะออกรับผิดกับท่านอาจารย์มั่นแทนหมู่เพื่อนชนิดยอมตัดคอออกรองเลยก็ว่าได้ท่านจะรีบดึงปัญหานั้นเข้าหาตัวท่านเองทันทีเพราะเห็นหมู่เพื่อนพระเนนเกรงกลัวท่านอาจารย์มั่นมากทําให้ท่านรู้สึกสงสาร และเห็นอกเห็นใจอีกั้งความจงใจทําผิดก็ไม่มีจะมีบ้างก็เพียงข้อผิดพลาดบางประการเท่านั้นสําหรับท่านเองก็พออดพอทนได้หากว่าท่านอาจารย์มั่นจะเคาะจะตีอะไรท่านก็อดทนเอาแต่เมื่อนานๆไปความผิดพลาดมีบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าทุกครั้ง ก็มีแต่ท่านเป็นผู้ออกรับผิดอยู่เรื่อยๆท่านอาจารย์มั่นจึงดุเอาว่าใครผิดหัววัดท้ายวัดก็มหาใครผิดท้ายวัดหัววัดก็มหามันจะโง่ขนาดนั้นหรือมหานนินะ อ, อึเอะก็มหาผิดเอะก็มหาผิดในเรื่องนี้จริงๆแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ทราบอะไรดีอยู่แล้ว เพราะนิสัยรวดเร็วและช่างสังเกตอยู่ตลอดจึงสามารถจับได้หมดมีอยู่คราวหนึ่งท่านไม่สบายป่วยหนักจึงลุกไม่ขึ้นทั้งลมก็แรงตลอดฝนก็ตกทั้งคืนใบไม้จึงร่วงหล่นมากมายพอเช้ามาท่านอาจารย์มั่นไม่ได้ยินเสียงปัดขวาดใบไม้เหมือนทุกๆวัน รู้สึกผิดจากปกติมากท่านอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นทันทีว่าอืมอือพระเนนไปไหนหมดหอือท่านมหาไปไหนพระเนนตอบว่าท่านอาจารย์มหาป่วยท่านอาจารย์มั่นพูดแบบดุดุดขึ้นทันทีว่าอือหื อ, หอท่านมหาป่วยองค์เดียววัดร้างหมดเลยเชียวหรือ ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะโดยปกติประจำวันท่านจะคอยใส่ใจเป็นธุระนำหน้ามูคณะออกทำข้อวัดต่างๆทุกชิ้นทุกอันเสมอเมื่อมาเจ็บป่วยจนลุกไม่ขึ้นพระเนนจึงยังไม่ทันทราบเลยไม่มีใครพาเริ่มต้นทำข้อวัดทำให้เช้าวันนั้นดูงเงียบผิดปกติ และในบางครั้งที่ท่านป่วยไข่ยอย่างหนักมีอยู่เหมือนกันที่ท่านอาจารย์มั่นเมตตาเอายาไปให้ฉันด้วยตันเองเลยทีเดียวความเคารพต่ออาจารย์ทำให้จำต้องยอมฉันท่านเล่าให้ฟังอย่างไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้ไปได้เลยยาของท่านยามโหสดถ้าท่านเอาไปให้แล้วต้องได้ฉัน ยานี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจี้เลยให้เราฉันใครเอาไปให้เราไม่ฉันนี่นะอันนี้ท่านก็รู้นิสัยเหมือนกันนะท่านจะยาให้เขาเอาไปให้ก็ไม่ฉันไม่เอาเลยสุดท้ายท่านเลยเอามาให้เอง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 คือตามธรรมดาผมไม่ค่อยไปไกลไปประมาณสักย0 3สบสิกิโลเท่านั้นหละส่สบกิโลคราวนี้จะไปไกลหน่อยไปทางอำเภอวาริชภูมิเออดีทางโน้นก็ดีท่านว่าสงบสงัดดีมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นแหละท่านว่าแล้วไปขี่องค์ละ ผมคิดว่าจะไปองเดียวเออดีละ่ะไปองเดียวท่านก็ชี้ไปใครอย่าไปยุ่งท่านนะท่านมหาจะไปองเดียวทีนี้เวลาจะไปก็จำได้ว่าเดือนสามขึ้นสามค่ำผมไม่ลืมนะก่อนจะไปก็กับผมไปคราวนี้คงจะไม่ได้กลับมาร่วมทรมาคบูชาคราวนี้ เราก็ว่าอย่างนั้นไปก้าววันสิบวันกลับมาทางมันไกลนี่เดินด้วยเท้าทั้งนั้นแหละเออบูชาคนเดียวนะมาคะบูชาคนเดียวจริงๆนี่ท่านว่าอย่างนั้นแล้วชี้เข้าตรงนี้นะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นมาคะบูชาทั้งนั้นแหละเอาตรงนี้นะ จากนั้นก็ไปทีนี้พอถึงวันมาคบูชาแสียสายหน่อยประมาณสักส1บเอดโมงท่านถามพระท่านมหาไม่มาหรือเห็นท่านมหาใหม่พระว่าไม่เห็นครับกระผมไปไหนกันนาพอบ่ายสองโมงสามโมงเอาอีกถามอีกตกเย็นเข้ามาอีกถามอีก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 อท่านออกจากที่แล้วผมก็ขึ้นไปกราบมันยังไงกันท่านมหานี่ท่านว่าอย่างนี้เทศเสด็จวนฟ้าดินทลม่มก็ไม่มาฟังกันนี่เราถึงได้ย้อนพิจารณาอ๋อที่พระท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้นั่นเองเป็นเพราะเหตุนี้เองเทศเสด็จวนฟ้าดินทลม่มนี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะ เริ่มป่วยมาตั้งแต่วานซืนนี้นั่นท่านว่า